เช้านี้เราก็ทำวัดเช้าในบรรยากาศที่สงบแล้ววันนี้ทั้งวันเราก็คงได้ภาวนาในสถานที่ที่สงบ ก, การอาศัยสถานที่ที่สงบ ก, ก็มันทำให้เป็นตัวช่วยอย่างดีมันทำให้เราเรียกว่าไม่วุ่นวายกับโลกภายนอกมัน แล้มันก็จะเห็นแต่ความวุ่นวายในโลกภายในใจของเราเองนี่แหละเยอะแยะมากมายแต่ก่อนถ้าเร า, เ, าเราอยู่กับสังคมภายนอกอยู่กับการกระทบอารมณ์มากมบางทีความวุ่นวายทั้งภายนอกทั้งภายในมันกลมกลืนมันกลมกลืนจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือเหตุทำให้จิตใจของเรามันไม่สงบ มันฟุ้งซ่านคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปคิดว่ามันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกที่มันดูไม่สงบไม่เรียบร้อยมันวุ่นวายก็เลยทำให้จิตใจเราห่อยฟุ้งซ่านตามไปด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วพอเราได้มาอยู่กับธรรมชาติที่ทสงบหรือว่าไม่วุ่นวายมากแต่ที่จริงมันก็จะเห็นว่าจิตใจของเรามันก็วุ่นวาย อยู่เป็นปกติของมันอยู่นะแม้ธรรมชาติจะเอื้อขนาดไหนซึ่งมันก็มันก็ดีอยู่นะในะดีอยู่มากเลยแหละแต่มันก็เห็นว่าที่จริงแล้วความวุ่นวายในจิตใจนี่มันก็มีของมันเป็นปกติอยู่นะเราภาวนาเราก็จะเห็นนะความฟุ้งซ่านในจิตใจนี่มันเยอะแยะมากมายนะความคิดที่มัน เป็นเรื่องไม่มีสาระก็โผล่เข้ามามากมายนะหรือว่าความคิดที่ดูดีมีสาระมันก็รอให้เราไปคิดนะตามมันหลายๆอย่างพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ายวเรียกว่าสิ่งที่ขวางกัน้นจิตใจเราในการภาวนานาะนิ่วรธรรมต่างๆนะความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีเกิดขึ้น เป็นประจำเลยนะเราก็สังเกตเห็นนะออแม้อยู่ในสถานที่ตรงนี้แต่ความฟุ้งซ่านมันก็ยังบุ่นวายอยู่ในจิตใจนะคิดนั่นคิดนี่ตารพัดมากมายนะไ ม, ไม่ไม่มีสาระก็ดีมีสาระก็ดีแต่เราก็ทำหนะ้าที่เพียงแค่รู้นะแล้วก็วางเข้าไปนะคือเราไม่สามารถห้ามความฟุ้งซ่านในจิตนะ แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่ไปฟุงต่อกับความคิดที่มันโผล่ขึ้นมานะเราก็เห็นเขาเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเนะนี่ยความฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมดาของการภาวนานะเราก็อย่าไปอย่าไปรำคาญนะท่านันที่เราได้มาอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดแล้วแต่ทำไมมันก็ยังฟุ้งซ่านนะหรือท่านักที่เราภาวนามาหลายปีแล้ว ทำไมยังมีความฟุ้งซ่านอยู่แลก็อย่าไปรําคาญมันนะให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความฟุ้งซ่านก็เป็นเหมือนแบบฝึกหัดนะที่จะทําให้เราผ่านอารมณ์ทิ้งอารมณ์ไปได้เหมือนกันนะความฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นอุปสรรคเท่านั้นหรอกแต่จริงมันเป็นคล้ายๆโจทย์มาทดสอบเราถ้าเรานะกลัวโจทย์ตนนัวนี้หรือว่าเราหนีโจทย์ตัว น, นี้นะเราก็จะ มันไม่ได้แต่เราให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนโจทย์หรือเป็นบทเรียนทําให้เราได้เรียนรู้ความเป็นจริงนะที่มันอยู่ในใจของเราเองที่จริงความฟุ้งซ่านต่างๆก็เป็นตะกอนในจิตของเราเนี่แหละนะที่เราไม่รู้ตัวว่าจิตมันไปเก็บความคิดต่างๆเหล่านี้หรือว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะมันก็เลยฟุ้งออกมานะ กลางวันก็เรียกว่าฟุ้งซ่านด้วยการคิดกลางคืนก็อาจจะฟุ้งด้วยการฝันนะแต่เราก็เห็นว่ามันบางทีมันเอาแน่เอาน่อยไม่ได้แต่ก็ช่างหัวมันนะเป็นธรรมดาของมันนะหรือบางครั้งเราภาวนาไปมันก็บางครั้งเรามีติดอารมณ์อะไรกับใครนะเช่นเป็นโทสะเกิดขึ้นนะมีความพผ่บาทเกิดขึ้นในจในิตใจนะนะนะเป็นความเก็บกดที่เราเก็บไว้ นานหลายปีหรือว่าหลายวันแล้วเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในขณะภาวนานาะก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอืบางคนภาวนาไปแล้วมันโผล่การกระทําที่ไม่ดีในของตัวเองขึ้นมานะคําพูดที่ไม่ดีของเราขึ้นมาหรือเราประสบเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีในชีวิตขึ้นมามันก็มันก็ติดเข้าร่องตรง น, นั้นอีกะนะ มันไปคิดวนๆเวีย น, นๆอยู่ตรงนั้นนะแต่ก็ให้เราออกมาให้ได้นะมันไม่เป็นไรมันจะกลับไปหาความพยาบาทความไม่พอใจในอดีตก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้ว่าเออมันเป็นเรื่องที่เคยกระทำนะแต่เราไม่ไปกระทำซ้ำให้มันเรียกว่าให้มันทุกอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมา แม้มันจะเคยเกิดขึ้นจริงนะแต่มันก็ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้กรรมในอดีตเราไม่สามารถไปไปล้างได้อืแต่สิ่งที่เราทําได้คือสร้างกรรมใหม่นะก็คือการที่เราไม่สนใจนะแค่รู้แล้วก็ไม่สนใจแล้วก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวของเราเนี่แหละนะมันจะผ่านไอ้ความรู้สึกที่มันไม่มดีความคิดที่ไม่ดีได้ง่ายๆเลยนะออนะืไม่ต้องเป็น ไม่ต้องไปเสียเวลานะหาเหตุหาผลทำไมถึงคิดเช่นนั้นหรือไม่ต้องไปตรองบนว่านะกา ร, รที่เคยทำตรงนั้นมันจะส่งผลกับเราอย่างไรนะไม่ต้องไปกังวลใจว่า ม, มันจะอะไรเนาะเกิดความเสียใจในสิ่งการกระทำของเราเองในอดีตนะเราแก้ไขไม่ได้นะแต่เรามาสร้างกำใหม่นะ โคจรท่านสอนเรื่องการสร้างกรรมใหม่ไม่ได้สอนเรื่องการแก้กรรมเก่านะสอนเรื่องการสร้างกรรมที่เรียกว่าเป็นกรรมที่เหนือเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยแหละเป็นกรรมฐานที่ที่สูงยิ่งเลย <c oughs> คือออดีตเราไม่สามารถแก้ได้แต่เราทําได้ที่ปัจจุบั น, นะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นพอหรือบางทีความคิดที่มักจะทําให้นักปฏิบัติทำ ไปหลงติดได้ง่ายก็คือใหม่ๆส่วนให ญ, ญ่จะเป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องดีๆเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการหรือเป็นเรื่องที่เราสนใจเนะี่ยบางทีภาวนาไปมนมีสมาธิค่อนข้างดีเนะี่ยสมาธิค่อนข้างดีแต่พอความคิดมันเกิดขึ้นมาในทางเป็นการวางแผนเป็นโครงการเป็นกินรนาการที่ดีๆเนะี่ยเราก็มักจะไปเพลิน เดินไปก็คิดไปนะคิดไปกับเขานะสนุกสนานเป็นจริงเป็นจังนะบางคนเป็นนักออกแบบก็คิดเชิงออกแบบนั่นออกแบบนี่บางคนเป็นนักเขียนก็คิดเขียนเรื่องราวต่ตางๆบางคนเป็นนักพูดก็คิดพูดคิดเทศนะบางคนนะมีเรื่องการเรื่องงานก็สมาธิมันเกิดขึ้นมาดีแล้วก็คิด เพิ่มไปกับมันอันนี้ก็ต้องระวังนะแม้พวกนี้มันจะดูมาในข้าวที่มันดีๆนะมันเกี่ยวข้องกับชีวิต จ, จริงของเราในอนาคตหรือว่าเกี่ยวข้องกับการงานของเราที่เราทําอยู่แต่มันยังไม่ใช่ ม, ม, มันไม่มาแบบไม่ควรแก่เวลานะเวลานี้คือเวลาในการภาวนาเวลานี้ในการเวลาที่เราจะไม่คิดในเรื่องต่างๆนะเราห้ามมันไม่ได้นะ มันมาล่อเรามันรู้ว่ากีเด็กมันมันมายั่อเราน ะ, ะมันรู้ว่าเราชอบด้านไหนนะมันก็เอามาเอามาล่อนะเหมือนคล้ายๆเหมือนเราเอาไอติมล่อเด็กอยู่เนะีนะ่ยเด็กมันก็ติดใจคนที่ให้อติมนะแต่คนให้อติมจะหวังดีหรือหวังร้ายกับเด็กนะั้นเราก็มีรู้นะหรือคนชอบเงินก็มีคนเอาเงินมาล่อนะไปทําไม่ดีไม่ร้ายก็มี ความคิดก็เหมือนกันนะกิเลสก็เหมือ น, นเขาฉลาดเขารู้ว่าเราชอบอะไรติดอะไรนะเขาก็จะชวนให้เราคิดชวนให้เราปรุงแต่งไปกํานั้นเนี่ยบางทีเราอยู่กับตัวเองเยอะๆเนี่ยบางทีมันจะชอบคิดฟุ้งซ่านในทางที่ที่ชอบใจมากๆนะเราก็ให้รู้ทันมันปรุงไม่เป็นไรแต่เรากลับมารู้ตัวใหม่มันปรุงไม่เป็นไรเรากลับมารู้ตัวใหม่นะ มันเป็นธรรมดาที่มันไปคิดแต่เราก็ฝึกหัดที่จะกลับมามีสตินะกลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละนะแต่ละครั้งแต่ละบทั้งตอนที่เรารู้ทันว่ามันคิดอันนั้นก็มีสติเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงว่าทําไมเราถึงเผลอไปคิดนะคิดไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมากลับมาใหม่อันนี้บางทีความ <c oughs> ความพอใจในอารมณ์ต่างๆนะมันเป็นความมันชันทะในสิ่งที่ที่เราที่เราชอบแต่บางทีมันก็มีความลังเลสสงสัยนะในการภาวนาในหะม่ๆก็บางทีอย่างตัวเองใหม่ๆก็จะสงสัยว่าไอ้ที่เราภาวนาเนี่ยมันรู้สึกตัวจริงหรือเปล่านะรู้สึกตัวจริงๆมันเป็นแบบไหนนะ พอเราไปตําเรสงสัยก็โดนโดนความไม่รู้สึกตัวเขาค้อมงามมแล้วนะแต่จริงความรู้สึกตัวนี่นะไม่ต้องไปหาคาต่อให้กับเขาหรอกถ้าเรารู้ว่าตัวกำลังทำอะไรถ้าเรารู้พันว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาอนันน่นนะคือความรู้สึกตัวแล้วนะถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเขาเคลื่อนไหวรู้สึกว่าร่างกายเขาหยุดนิ่ง รู้สึกว่าร่างกายเขากระทบสัมผัสอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นความรู้สึกตัวแล้วนะแต่เป็นความรู้สึกแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ไปจดจ่อมไม่ใช่ไปเพ่งนะในการรู้นะมันเกิดขึ้นจริงมันก็เรียกว่ามันก็นนแนบความจริงคล้ายๆเหมือนกับมีคนมาสะกิดเราอะ่ะพอสะกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บทันทีอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเรา เขาเคลื่อนเขากระทบเราก็รู้ทันทีนั่นแหละคือความรู้สึกตัวแล้วนะไม่ต้องไปดังเดสมองใสในหาการหาคำตอบต่างๆหรือไม่ต้องไปสงสัยในสภาวะธรรมต่างๆในวิปัชนายางต่างๆนแยกรูปแยกนามเป็นแบบไหนนะรูปทุกนามทุกรูปลอกนามโลกเป็นแบบไหนนะไม่ต้องบางทีพวกนี้นะมันเป็นภาษา มันเป็นอาการเป็นกิริยาที่ที่มันไม่สามารถเข้าใจด้วยการคิดหรือว่าการคำควรหาคำตอบให้กับมันได้เนาะเราก็นะ่อย่าไปกังวลมันว่ามันจะรู้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรเนะี่ยมันจะเป็นอาการแบบไหนเราแค่ทำความรู้สึกตัวไปนี่แหละไปเรื่อยๆนะสงสัยลังเลไม่แน่ใจนะกลับมารู้สึกตัวทันทีนะอย่าไปคอย หาคำตอบให้กับความคิดนะหาเหตุหาผลให้กับความคิดนะ่ะมันจะชวนทำให้เราค่อยเส ท, ทำให้ชวนให้เราเรียกว่าวนอยู่กับวังวนของความคิดตรงนั้นนะที่จริงความหลอกใส่ไม่ได้มาเพื่ออะไรหรอกเข้ามาเพื่อหลอกให้เราให้เราหลงไปหาคำตอบนั่นแหละนะมันมาในอีกรูปแบบหนึง่งมาตั้งคาถามในใจิตใจมาชวนให้เราไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าเรามั่นคงในการกลับมารู้ตัวแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าคำตอบนั้นมันได้ทันทีเลยนะที่จริงคำตอบของการวิปัสสนาหรือว่าการภาวนาเนี่ยแค่กลับมานะจากความคิดนันแนะคือคำตอบที่สุดยอดครับนะกลับมารู้สึกตัวเฉยๆธรรมดาเนี่ยแหละนะเป็นการตอบคำถามนะ ท, ที่ว่าซื้อที่สุดลนะเพราะว่าใด พอตอนที่เราคิดสงสัยมันมีความทุกข์ใจนะแม้บางทีเราเอาจจะรู้สึกว่ามันทุกนิดน้อยเจออด้วยความสนุกในการที่หาคำตอบไปซ้าไปแต่จริงถ้าเรากลับมาถ้าจิตใจิตใจของเราละเอียดจริงๆเราจะเห็นว่าไม่แต่ความสงสัยแล่เส้นน้อยเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดขัดเครืองในจิตใจนะแต่พอเราทิ้งความสงสัยนั้นกลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆเนี่ยมันเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความว่างมันแตกต่างกันเลยนะนะถ้าคนที่มีสติมีปัญญานะมากขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะความคิดนะกับการไม่คิดเนี่ยมันมันสร้างผลลัพธ์ภายในจิตที่แตกต่างกันมากแล้วก็ข้ามความสงสัยนะกลับมารู้ตัวนธรรมดาเนี่ยแหละ จิตใจก็จะวางความสงสัยต่างๆลงได้เมื่อเราไม่ได้ภาวนาเพื่อที่จะมีปัญญาแบบไปเพื่อไปแสดงให้ใครเขารู้เขาเห็นหรือว่าไปโชว์ใครนะปัญญาจริงๆหรือว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นมันเป็นไปเพื่อการชนะตนเองมีหลวงพ่อประสิทธิ์ตาวโรท่าน อยู่วัดรรมเย็บปีกเนะที่ก่อสี่ชังท่านมีมีธรรมะบทหนึ่งที่ก็ดีมากท่านบอกว่า <c oughs> ผู้รู้ธรรมะเนี่ยชนะผู้อื่นผู้มีธรรมะชนะตนเองนะถ้าเราเพียงแค่รู้ธรรมะศึกษาธรรมะได้ยินได้ฟังหรือว่าฉลาดในการอธิบายนะอาจจะ โตวาทีหรือว่าอาจจะถามตอบอาจจะคัดค้านคนที่เขาสงสัยหรือว่าคนที่เขาเห็นต่างในเกณฑ์สามารถเรียกว่าผ่มคนอื่นได้แต่ถ้าไม่สามารถข่มกิเลสภายในจิตใจของเราได้ไม่สามารถล้างกิเลสในใจของเราได้อันนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้รู้ธรรมะนะ สอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองยังไม่ได้แต่ผู้ที่มีธรรมะเนี่ยเขาเน้นในการเอาชนะกิเลสในใจของตนเองเป็นหลักอันนั้นการที่เรามีสติเนี่ยกลรมาประหารกิเลสในใจกลับมาดับทุกข์ในใจของเราเนี่แหละเป็นหน้าที่หลักแล้วไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีปัญญามีความรู้มากหรือน้อยขนาดไหน เราแค่มีปัญญาดับทุกข์ในใจของเราได้อันนั้นถูกแล้วนะเรียกว่าทำใจให้ม่ทุกข์แค่นั้นพอละแต่เรื่องภายนอกก็ค่อยใช้ปัญญาทางโลกหรือบางคนอาจจะได้ปณิธานได้มีได้มีความสามารถพิเศษในการแสดงทำอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของภายนอะกแต่เราแค่ดับทุกข์ของเราก็พอแล้วนะ นี่ยผู้รู้ธรรมะนะเอาชนะผู้อื่นส่วนผู้มีธรรมะนี่เอาชนะตนเองเรากลับมาชนะจิตชนะใจของเราเองเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สําคัญกลับมาดับทุกข์ในใจของเราเนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ต้องกังวลอะไรละอแค่รู้ว่าตอนนี้มันทุกข์เราดับทุกข์ลงมาด้วยการมีสติรู้สึกตัวอืแค่นี้พอละอหรือบางทีเราภาวนาไปนะมันไปเจอ ความง่วงนอนความซึมเศร้าความเบอเบอร์เกิดขึ้นนะก็ถ้าภาวนาขนาดนี้นะเดินชนกันมนเลยนะบางทีเราคงรู้อุบายในการแก้ไขแก้ไขความง่วงคงคงรู้กันมาเยอะย่แล้วนะนะถ้ามันไม่หนักจริงๆนะอาศัยขันติเนี่ยแหละนะอดทนอดกลั้นเนี่ะเดินให้มันทะลุปไปเลยนั่งให้มันทะลุปไปเลยนะ ไม่ต้องไปหีกเลี่ยงใช้อุบายภายนอกนะคนทั้งโลกคนที่เขาใช้อุบายภายนอกมาช่วยเยอะนะใช้กาแฟบ้างใช้การเปลี่ยนอารมณ์ไปทํานั่นทํานี่บ้างนะใช้การหนีนะหนีอารมณ์ที่มันง่วงที่มันเบื่อบ้างนะแต่เราภาวนา ม, มาขนาดนี้แล้วนะเราต้องกล้าเดินชนไปกับมันบ้างนะไม่ต้องใช้อุบายอะไรมากอืะ ใช้ความอดทนอดกั้นเนี่ยหละลองลองสู้กับมันดูนะแรกๆมันอาจจะรู้สึกมันหนักรู้สึกมันมันลาบากแต่พอทําไปทําไปเนี่ยเดี๋ยวความม่วงมันก็มีที่สุดของมันนันแหละนะพอเราผ่านทะลุมันได้มันก็มีแต่ความสว่างนะมีแต่ความไม่ง่วมันแหละเป็นเป็นผลลัพธ์ที่มันตามมาแต่เราก็ต้องทําแบบวางใจนะไม่ใช่ว่าไปคอย หวังว่าเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะดีนะนะง่วงมันก็ง่วงของมันไปแต่เราก็จะทําความรู้สึกตัวของเราไปคู่ขนานกันไปนะเป็นคนละเรื่องกันนะเราทําความรู้สึกตัวไปเรื่อยนะแม้มันจะไม่สดชื่นแม้มันไม่สว่างเราก็ทําไปแบบนั้นแหละนะเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปได้แต่ถ้าจะดีก็อาจจะอาศัยการเดินเป็นหลักนะหรือถ้านั่งก็นั่งในการ เคลือนไม้เคลื่อนมือให้มันกระชับปะเฉงลืมตาให้มันโตโตมองให้มันสดชื่นขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกยาวๆขึ้นมันก็จะช่วยได้นะแต่เราก็ช่วยแบบไม่ใช่ไปหนีมันนะนอกจากมันจําเป็นเป็นความปวดความเมื่อยเป็นอะไรก็ค่อยปรับเปลี่ยนเอานะนอกจากถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยไปล้างหน้าล้างตานะหรือว่าไปทํากวาดดานวัดอะไรเนะั่นให้มันตื่นขึ้นมา แต่ถ้ายังพอได้เอาสู้กับมันดูซักตั้งนะพอจิตของเรามันทะลุความง่วงได้นะคราวนี้ภาวนามันเพลิน ม, มันสบายมากนะมันมีสติได้ต่อเนื่องไปเรื่อ ย, อ, ยอันนี้นะนิวรณธรรมต่างๆเนี่ยมันมันเป็นเครื่องคล้ายๆมามาทดสอบนะอินทรีย์ของผู้ภาวนานี่แหละนะมันมาท้าดูว่าเราแน่ขนาดไหนนะ เราตั้งตาที่จะเผชิญหน้ากับมันนะอย่าไปอย่าไปกลัวมันนะมันก็แค่มาอย่างเชิงเราดยเฉียหลักว่าเราแน่หรือเปล่านะถ้าจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราตั้งมั่นจริงนะสู้กับมันตรงๆไปเลยนะสู้ด้วยวิธีไหนนะสู้ด้วยการกลับมามีสติรู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงนั่นแหละนะเป็นการสู้มันแบบเผชิญหน้าตรงๆนะ หรือหงพ่อเทียนมักจะพูดเหมือนคล้ายๆท่านนักมวยนะชกเข้าที่หลุมตาเข้ามาเลยนะไม่ต้องไปเต้นปุ๊บเบิรกอะไรมากนะชกมันตรงๆไปเลยนะเราก็เนี่ยมันจะมีมาไมา้ไหนก็แล้วแต่เรากลับมารู้สึกตัวหลวงพ่อคำเกียรติเขาบอกว่าการทำรํำความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางเป็นทั้งที่สุดของการภาวนานะ แต่ความรู้สึกตัวนะมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะใหม่ๆเราก็รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวกับอิรียบทที่มันหยาบๆที่มันชัดๆนะต่อไปความรู้สึกตัวมันก็จะเข้าไปรู้ในอีรยบทที่มันกลางๆนะเช่นกายที่เคลื่อนไหวแบบละเอียดหรือว่าจิตใจที่เป็นอารมณ์ที่มันปรุงแต่งแบบแรงงอารมณ์ที่มันชัดๆนะึกทุกข์ที่มัน เรียกว่าเด่นๆ่นมันก็จะเข้าไปดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกตัวเช่นเดียวกันรู้สึกแล้วก็ออกมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่เข้าไปจมกับอารมณ์ต่างๆต่อไปความรู้สึกตัวมันก็จะละเอียดขึ้ น, นเรื่อยๆนะเห็นความไหวของจิตใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็มีความไหวนะที่จริงเหมือนกับบางช่วงที่มันอย่างธรรมชาติมันไม่มีลมพัดแต่ที่จริงนะ ถ้าเราดูอดีต้นไม้เขาก็ยังไหวนิดนิดหน่อยหน่อยของเขาอยู่นะต้นไม้ เ, เล็กๆเลยนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะนะแม้ไม่เจออะไรกระทบนะแต่มันก็จะมีความไหวนะทางตาบ้างไหวทางหูบ้างไหวทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าไหวทางใจมากมายเลยนะถ้าจิตของเราละเอียดเราจะเห็น เราจะเห็นอาการที่มันไหวนะในจิตใจนี่มันชัดเจนขึ้นแต่ไม่เป็นไรเมื่อเราเห็นแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติมันเองนะเราห้ามไม่ได้แล้วก็มีกวนห้ามด้วยนะการภาวนาไม่ใช่เป็นการห้ามอารมณ์อะไรต่างๆนะให้เราเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละนั่นคือความรู้สึกตัวแล้วนะเราเป็นผู้เห็นเห็นอาการของรูปที่เขาสแสดง เห็นาการของนาำที่เขาสแสดงนะเขาก็เป็นผู้สแสดงเฉยๆ เ, นนะเราก็เป็นผู้ดูเฉยๆเราไม่ใช่เป็นผู้ไปวิจารณ์เราไม่ใช่เป็นผู้กำกั บ, กลบแล้วเราก็ไม่ใช่ไปหลงไปสแสดงกับเขาด้วยเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูแบบไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะดูกายนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นกายของเรานะถ้าเราไปยึดว่ากายของเราเราก็จะมีความ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความชอบความชังนะดูจิตใจอารมณ์ความคิดนึกที่เกิดขึ้นก็เหมือนกัน <c oughs> ก็ดูแบบไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันนะเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตสภาวะหรืออาการที่เขาแสดงเฉยๆนะถ้าเราดูแบบนี้นะมันก็จะไม่สุขไม่ลงไปสุขไม่ลงไปทุกข์กับเขาหรอกนะไม่ลงไปยินดียินร้ายไม่ลงไปปรุงแต่งหรอกนะเพราะแล้เราดูแล้วก็เห็นเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไมันมีแต่อาการแค่นั้นนะดังนั้นเราอาศัยนะสภาวะธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันแสดงความจริงให้เราเห็นนั่นแหะมาเป็นตัววิปัสสนาเลยนะเราเห็นเขาอย่างเช่นนิวรณธรรมต่างๆนะถ้าคนที่เขาทำสมาธิเขาจะเห็นว่านิวรณธรรมเนี่ยเป็นเครื่องขวางกั้นจิตไม่ให้มีสมาธิแต่ถ้าเราจเจริญสติ จเจริญวิปัสนาเนี่ยนิวรณธรรมนี่เป็นธรรมธรรมมาดมอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเราสามารถเรียนรู้ธรรมารมณตัว น, นี้ได้นะด้วยสติเนี่ยมันก็จะดีเลยนะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะเป็นการทดสอบอินทรีย์พระละของเราเองเนั่แหละมันจะไม่ใช่เครื่องขวางกั้นจิตแต่มันจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตนะ ถ้าเราผ่านก็ได้เนี่ยก็ถือว่ า, เ, าเรามีความก้าวหน้าในกางภาวนาแล้วนะแต่ก็ต้องวางใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่แม้เราเคยผ่านได้หรือแม้วันนี้เราเคยผ่านได้แต่มันมาครั้งใหม่มันก็เป็นปรากฏการใหม่นะแม้อาการมันจะเหมือนเดิมแต่มันก็มาในรูปของอ า, อาการ ที่เป็นของใหม่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นคนละอันกันเราอย่าไปคิดว่าออตอนนั้นเราเคยทำได้ตอนนี้ทำไมทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นการหลงไปแล้วนะเราก็แค่เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะที่จริงมันเหมือนละลอกขึ้นนะนะที่กระทบฝั่งมีขึ้นลูกใหญ่บ้างมีขึ้นลูกเล็กบ้างนะมันเป็นธรรมดานะเราทำตัวให้วางใจเหมือนกับเรานั่งอยู่บนฝั่ง ดูขึ้นมากระทบฝั่งไปเรื่อยๆดูขึ้นกระทบฝั่งไปเรื่อยนะมันไม่ได้กระเทือนถึงผู้ที่นั่งดูอยู่บนฝั่งหรอกนะมันก็แค่กระทบฝั่งเราไม่ได้เป็นผู้ที่ไปร้ององเรืออยู่กลางทะเลมาสมุทรนะที่จะต้องอะไรขึ้นๆลงๆตามขึ้นตา ม, ตามลมที่มันพัดพานะเราไม่ได้ไปไว่ายน้ำเล่นอยู่กลาง อยู่ริมชายหาดนะมันก็จะโดนคลื่นซัดสาดตลอดเวลาแต่เราเป็นผู้ดูอยู่บนชายชายหาดอยู่บนฝั่งดูขึ้นความคิดดูอารมณ์นที่เขาพัดผ่านมาผ่านไปเราก็ดูมันอย่างที่มันเป็นะนะแดดนะเรากลับมาดูอยู่เสมอนะหลงไปเมื่อไรก็กลับมาใหม่หลงไปเมื่อเมื่ไรก็กลับมาใหม่นะให้มีความสุขในการ ให้มีความสนุกในการกลับม า, านี้แหละนะคือการภาวนานะการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่กลับมานะจากอารมณ์ให้ได้นะแล้วก็ไม่ไปหลงไปประคองอารมณ์ไปด้วยนะบางครั้งเรารู้สึกภาวนาดีมีสติดีก็อยาหลงไปประคองตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นก็ทิ้งมันเช่นกันนะให้มันรู้ใหม่ทีละขณะทีละขณะนะ อย่าไปอะไรตัวรู้อย่าไปอะไรอารมณ์ที่มันดีนะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งมันไปนะเหมือนลมหายใจนะถ้าเราจะเราเอาแต่ลมหายใจเข้าไม่ยอมทิ้งลมหายใจเข้านะเราก็จะขาดใจตายนะมันก็ต้องมีลมหายใจออกมันก็ทิ้งไปมันออกก่อนมันถึงจะเข้าใหม่ได้นะตัวรู้ก็เหมือนกันก็ต้องทิ้งไปใหม่ก่อนมันถึงจะรู้ใหม่ได้นะ ถ้าเราไม่ทิ้งเราก็จะหลงไปประคองอารมณ์ไว้นะก็ต้องมีความแยบคายในการภาวนาเนาะให้พวกเราวันนี้ทั้งวันก็ให้พยายามนะทำความเพียรดูดูตนเองแล้วก็ชนะกิเลสในใจของตนเองเป็นหลักเนาะอาศัยสิ่งแวดล้อมที่สัพยะทำให้เราได้เห็นว่ า, าความวุ่นวายความไม่สงบดอกิเลส มันไม่ใช่เกิดจากที่ไหนหรอกนะแท้ที่จริงแล้วต้นเหตุหรือว่าต้นตอจ ร, จริงมันอยู่ในใจของเราเนี่แหละนะให้เรากลับมาชนะกิเลสความไม่สงบในจิตใจของเราเนี่แหละนะจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ธรรมะก็สนมะควรแกเวลานะักการพากัน